ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพติญาณในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของข้อความในจจตุสูตรในโลกะกามคุณวักสลายตนวักสังยุตนิกายที่เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าแก่พระสงฆ์ถึงพระไตรของพระองค์ ว่าในสมัยที่เป็นโพทธิศาสตร์ยังไม่ได้ศัตรู้นี่พอใจมันเหนียวแล้วมันเหนียวกลับอดีตทุกทีไปนึกถึงกรรมมคุณที่น่าใคลายน่าปรารถนาหน้าพอใจในอดีตทั้งๆ ท, ท, ที่กามคุณเหล่านั้นมันเกิดแล้วในอดีตดับตั้งอยู่แล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตมันก็ต้องคิดหมาย่าหาวิธีคิดจะทำยังไงก็ต้องพยายามเอาเอาเอ า, เอาความไม่ประมาทและสติ เป็นธรรมเทศนาที่เน้นย้ำนะฮะคือคำเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเน้นย้ำเพราะว่านั้นเหมือนกันในธรรมจกกักรปัตนสูตรที่ทรงใช้คำว่าจะขู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างคำห้าคำนะฮะความหมายก็คือสมายาณด้วยกันอันนี้สติกับความไม่ประมาทในที่จริงเปน็นอันเดียวกันในวันก่อนโนนได้พูดถึงเรื่องของความไม่ประมาท ความประมาทนะฮะความประมาทในวัยในชีวิตทนี้ภาพไม่มีโรคเนี่ยมันค่อนข้างกระจายทีนี้การปล่อยจิตการปล่อยจิตให้ไหลไปสู่อัติตารงกระลมเนรดีด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีและในสุดมันจะโหยหาอะไรนะฮะโหยหาอะไรและกรสรนอยากต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วมันไม่ได้ฮะมันไม่ได้บางกายเป็นโศกกระเราไม่ต้องดูไกลขนาดนั้นนะ ดูว่าเช่นว่าญาติพี่น้องเราตายเนะีย่ยญาติพี่น้องเราตายมันก็เป็นอดีตไปแต่ว่าเราก็อยากคิดถึงพูดถึงร้องหมร้องไห้เสียเสียใจมันทีตายไปตั้งนานแล้วนะพอพูดถึงยางร้องไห้อยู่มันแสดงว่าอารมณ์ในอดีตมีอิทธิพลมีอิทธิพลแรงเพราะอะไรเพราะมันสัมผัส มันเจตนามีการกระทํามีความเกี่ยวข้องผูกพันได้สัมผัสสุขทุกข์ด้วยการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมันไม่เหมือนอนาคตอนาคตมันไม่เคยสัมผัสอารมณ์ปัจจุบันก็ยังไม่ได้สัมผัสเพราะปัจจุบันมันเป็นขณะขณะขณะนิดเดียวแต่นั่นเองทั้งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องอดีตแล้วก็ความไม่ประมาทคือการใช้สติที่สาคัญเนี่ย แต่กการระมัดระวังใจไม่ให้กำหนัดแม่ขัดเครื่องไม่ลุ่มหลงไม่มวมเมาในอารมณ์ทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็แม้จะมีในอนาคตก็ ต, ต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักจึงย้ำเตือนให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยว่าประเนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่น ก็คงเล่นไปในการมาคุณห้าอันเป็นนาฎตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาแล้วก็ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนเหมือนกันโดยมากน้อยนับที่จะเล่นไปสู่ปัจจุบันและอนาคตนะฮะที่สุดทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิต เราไม่ประมาทที่ตัวหลักก็อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตัวตัวเนี้ยคือใจใจมนุษย์ที่มีปัญหาเราสังเกตนับปอะไรก็ได้นะนับเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่มีปัญหาจริงๆสรุปแล้วที่มีปัญหาเนะี่คือกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงหมัวเมากำหนัดก็คือแรงกระตุ้นของกิเลสประเภทโลภะขัดเคืองก็แรงกระตุ้นของกิเลสประเภทโทสะรุ่มหลงก็แรงกัดเคืองประเภทโมหะ ง่วเมาก็พวกประมาทพวกขาดสติทีนี้ทำยังไงอ่ะจริงๆมันต้องเริ่มมาจากคุณลักษณะของความเป็นพุทธคือบางทีก็นึกเหมือนกันนะคื อ, อยังนึกวเป็นเรื่องแปลกชาวบ้านเนี่ยอ้างตัวเองเป็นพุทธนะะอ้างตัวเองเป็นพุทธแล้ว ทำไมจะต้องไปจ้จำชี้จ้าชัยต้องไปเผยแผ่อะไรกระทักหนาล่ะคือมันน่าจะเป็นภารกิจที่สำนึกรับผิดชอบรับผิดชอบต่อศาสนาแต่เวลาพระทําไม่ดีนชอบด่าแล้วอ้างว่าเราก็เป็นพูดเหมือนกันอย่างวันก่อนเนี่ยฮะสังเกต ร, รายการตามหาแก่นธรรมแล้วก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์าศาสนาและผลท้าคนที่พูดก็สารภาพนจงเฉยเป็นคิด อเ น, นี่คือเป็นปัญหาอันตรายคือรายการนี้เรียกว่าชักน้ำข้าลึกชกักสื่อข้าบ้านแล้วนะเป็นอันตรายมากที่สุดเหมือนกับราการมองต่างมุมที่ถูกปิดไปนะเพราะอะไรเพราะว่าเอาคนไม่รู้เรื่องพระเนี่ยมาพูดเรื่องพระเมื่อก่อนเนี่ยไปไประชุมคุยปรึกษากันเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ย มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นอนดีตนายทหารผู้ใหญ่เขาก็พูดรู้วิจารณ์พระเยอะเลยมาก็นั่งฟังเฉยๆนะเราก็ก็โยมทึ่งเป็นนายทหารบืองกันแต่ว่าอดีตเคยบวชมาเข้าใจดีแล้วแกพูดตรงๆเลยนะแกบอกพระไม่ได้มาจากไหนมันเกิดจาตูดอยมเลยพูดปัตตาไทยแท้ไปเลย เพราะเราอย่าไปตั้งความหวังท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างโ น, น้นเราต้องยอมรับเขาว่าเขาบวชไปฝึกแท่นั้นเองนะฮะมันไม่ใช่เป็นบุคคลสเมเร็จรูปมาจากไหนพอไปเราตั้งขีดเส้นมาให้พระสูงลิฟต์อย่างนี้นท่านก็ตายเลแล้วพอผิดหวังผิดหวังก็เ ก, กลี้ยกล่ามอ้างว่าเราเป็นพุทธก็มีศิท ด, ดาไม่มีศิท ด, ดานะโปรดเข้าใจเลย ดาแมวก็ไม่มีสิทธิ์ด่านะมันเป็นโทสะมันเป็นบาปโดยกันดาวฝนดาลมดาแดดเนี่ยทั้งโลภะทั้งโมหะนะฮะทั้งโลภะทั้งโมหะเลยโดยเราจะเห็นว่าถ้าพวกดาวลมดาวฝนดาแดดจริงทั้งบ้าทั้งโง่เลยฮไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะถ้าเราวิเคราะห์จิตเราแล้วจะเห็นว่าเอ้รมันเป็นยังไงไปดาวฝนเนี่ยมันฝนมันจะรู้เรื่องอะไรดาวลมเนี่ยลมมันจะรู้เรื่องอะไรบางทีหมาเห่ายังไปด่าหมา มื่ที่เดินสะดุดก้อนหินด่าก้อนหินเตะก้อนหินแล้วมันได้อะไรเพราะั้นการการมองอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นอาการของกิเลสแล้วเนี่ยผิดทั้งนั้นน่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าใครอย่างที่เล่าเรื่องอาจารย์สุชีไปฟังที่ว่าเออาจารย์สุชีเนี่ยยบรลูมักผลเป็นพระยาติบุคคลไปแล้วหรือเปล่าก่อนจะสิ้นนะนะ แล้วก็มีคนที่มีความเห็นตรงๆอะไหลายๆคนนะจากการใกล้ชิดกับท่านเนี่ยเพราะมันเย็นเหลือเกินนะสงบเย็นเข้าใกล้และเย็นแล้วก็พูดถึงปัญหาศาสนาก็โทรคุยปรัรบเรื่องปัญหาศาสนาอาจารย์ท่านบอกว่าสงบไปเถอะให้กรรมก็ทําทงานก็ปล่อยเป็นเรื่องของกรรมก็ทําทงานแกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเขา ประเสรโลกก็เป็นไปตามกรรมเขานั่นคือแสดงถึงความส ง, งบลึกที่ไม่อยู่ภายในเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเขาเป็นไปตามกรรมเขาแล้วเราไปจัดการอะไรหรือไม่จัดการอะไรก็ตามนะฮะเขาก็เป็นไปตามกรรมเขาก็ทําให้นึกถึงนึกถึงเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาตอนนด็กตอนป ล, ปลายแล้วนะฮะ แล้วก็จากวันนั้นมาพระพุทธเจ้าไม่ลงร่วมปาติโมกข์กับพระสงฆ์คือเกิดเรามีภิกษุรูปหนึ่งท่านต้องอาบัติประราชิกแล้วท่านก็ปกปิดไว้แล้วท่านก็ไป น, นั่งอยู่ในตำกลางสงฆ์ถึงเวลาประชุมลงปาติโมกข์พระพุทธเจ้าไม่ยอมเสด็จลงมาอานนท์ขึ้นไปกราบทูลครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วไม่เสด็จก็รครั้งที่สามรับสั่งอานนท์บริสัทไม่บริสุทธิ์ การทำปฏิโมกกับบริษัทที่มันบริสุทธิ์ไม่สมควรก็หมายความว่าไม่ต้องการท่างปัญหาแก่ตัวเองเท่านั้นเองนะฮะแล้วพระโมคคัลลานะท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นไรเนะี่ยท่านก็เป็นแนะนำบอกให้คุณออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะให้ออกไปแต่นั้นเองเพื่อไม่ให้กรรมของสงฆ์มันเสียจะไม่ได้มุ่งจํา ก ำ, กำจัดไรเขาแล้วเขาขึ้นเขาลงห้วยไปไหนก็ช่างเขาแต่ว่าเขาควรจะออกไปไม่ออกท่าน ก, ก็จับแขนก็ช้าก็ไปเลยอย่างนี้ก็เป็นมาตรการที่เฉียบขาดแต่เราลองสังเกตว่าไม่ใช่ไปเบียดเบียนท่านเหล่านั้นแต่เพื่อแม่ท่านเหล่านั้นทาท่านรูปนั้นทำบาปหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าไปทำลายสังกรรมของสงทีนี้ทำยังไงเราจะไม่ประมาทได้ ไม่ประมาทหลักในด้านศีลธรรมจัรญาเนี่ยเราจะพูดเยอะนะฮะเราจะพูดเยอะเวลาทรงแสดงทรงแสดงไว้สี่ข้อไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตไม่ใช่ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกต้องเพราะเอาข้อเดียวนะฮะทำยังไงว่าทําความเห็นให้ถูกต้อง นี่คือเรื่องใหญ่เลยปัญหาในพุทธศาสนานั้นคือปัญหาที่สัมมาทิฏฐิเราไปอวดดีจนเกินไปตอนนี้จริงออาตมากำลังตอบปัญหาของนักศึกษาที่นิด้านะฮะกับข้าราชการที่เข้าอบรมดับหลักสูตรของนิดาอย่างน้อยพวกนี้ัญญาท แล้วก็คาดาการอย่างน้อย48แต่ปัญหาหน้ากลัวที่สุดเลยเมือนกับเด็กเมือนก็นเด็กอ่ะถามปัญหาเมือนก็นเด็กเลยแล้วไปเทียบเคียงกันมาลองตอบเทียบเคียงให้ดูทางสถานีวิทยุปตอนะฮะเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัรีประทุมเทียบเคียงให้ดูเอาปัญหาเด็ก ปัญหาเด็กมาช่วงหนึ่งปัญหาพระธรรมทูตช่วงหนึ่งปัญหาอาจารย์พวกนี้ยช่วงหนึ่งให้เห็นถึงพุทธิภาวะนี่ต่างกันเนีะเลยเพราะปัญหาใหญ่ในทางศาสนาเนี่ยเราไม่ประมาทที่ถือว่าสําคัญเวลานี้ว่าเรามีศรัทธาขนาดไหนเรามีกําลังปัญญาขนาดไหนล่ะเรื่องเป็นอันมากอย่าเสี่ยงอย่าไปอวดดีอย่าไปอวดเก่งอย่าไปถือว่าฉันจบนอก ต่างประเทศยุโรปอเมริกาไม่เคยมีระดับาศาสดาต้องเข้าใจไว้พัฒนาการทางจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของเอเชียล้วนๆไม่มีระดับาศาสดาอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกานั่นคือประเด็นที่ต้องจับไวเพราะมันไปเรียนมาเถอะอย่าไปเก่งเก่งเรือร่องอื่นเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เก่งเรื่องาศาสนาอย่าคิดว่าเราเก่ง เพราะว่าการพัฒนาจิตเนี่ยมันอยู่ของวัฒนธรรมของเอเชียแล้วมันอยู่ที่แถวตะวันออกกลางอยู่ที่อินเดียอยู่ที่จีนนะฮะแม้แต่ที่กรีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงระดับนั้นกรีกเราก็ถือว่าเป็นทางยุโรปเนี่ยถือว่าเก่งที่สุดนะครับนกรีกเนี่ยโซเคจิตเพรโตเอรเตอร์ต้นอะไรตไรเนี่ยเราถือว่าเก่งๆแต่ว่าถ้าเทียบทางอินเดียทางกีนเนี่ยก็ไม่ได้หรอกตรงนี้ก็เก่งกว่าเยอะ พัฒนาการทางกิตเนี่ยทีนี้ปัญหาใหญ่ว่าความเห็นชอบที่เป็นเรื่องใหญ่เวลานี้ที่น่าห่วงเนี่ยปัญหาที่บาปบุญคุณโทษคือคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ต้องไปให้ไกลหรอกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่องบาปบุญคุณโทษแท้ๆนะฮะขัดสินธรรมแล้วบาปบุญคุณโทษแท้ๆเลยปัญหาโรคเอเป็นปัญหาบาปบุญคุณโทษแท้ๆเลย ปัญาคอรัปชันเป็นปัญหาบาปบุญคุณโทษไปเชื่อมโยงกับนรกสวรรค์แต่ว่าเราประมาทเรามีความเห็นผิดไม่แคร์ไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเราลองเคยสังเกตมไหมว่าการตัดไม้ทําลายป่าการบุกรุกพื้นที่วันะอุทยานแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติอะต่ออะไรเนี่ยเป็นนายทุน แสดงว่าคนรวยซึ่งเป็นผู้นำสังคมมีอำนาจอิทธิพล ต, ต่างๆไม่ดั่งขังขอบต่อเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษหน้าเฉยตาเฉยไม่ละอายบาปไม่สะดุ้งกลัวตบะเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเดี๋ยวมันไปรวนหมดทั้งระบบนั่นแหละอย่างอื่นไม่ต้องไปนับแล้วนะ เราจะไปมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระถามมันได้อะไรขึ้นมาที่เราค้ายาบ้าเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมามันค่าคนตั้เยอะค่าคนตั้งเยอ ะ, ยอะแล้วตัวเองก็ได้เงินได้เงินแล้วคุณจะเอาไปไหนไม่กี่วันคุณก็ตายแล้วสิ่งที่คุณได้จริงๆไปเป็นบาปบาปจากการค้าสิ่งเสพติด บาปจากการฆ่ามนุษย์ด้วยการบาปจากการหลอกลวงผิดศีลเกือบครบห้าข้อนั่นแหละมันก็แบกบาปหาบนารกกันไปจนว่ามีมีการพูดถึงพระอาจารย์กรรมฐานเนี่ยท่านบกเวเนี่ยเขาคุมกำเนิดกันมากเพราะเทวดาเขาไม่ยอมสติคือเทวดาเนี่ยเขาจุติมาสร้างบารมีคือคือบุญเขายังอยู่อเยอะก็ยังอยู่สวัสด์ได้ แต่ว่าคนบางคนเนี่ยเขาเขาจะจุติมาเพื่อสร้างบารมีเขาแต่นั้นโอกาสไม่ให้อ่ะวางแผนครอบครัวกันเยอะคุมกําเนิดกันเยอะก็ไม่มาแต่ทีนี้อสัตว์นรกเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่รั่วเหมือนกับเกิดแต่แม้บางทีเนี่ยคุมกําเนิดแล้วยังเอามาอยู่เลยมันเกิดจะได้ดีใจนี้ก็เลยก็พยายามที่จะปรับความเห็นของเด็ก ลูกหลานนะคือสงสารเขาก็ามีมีคนก็เตือนตอนนี้ยอกพระก็เตือนพวกรู้สิษลูกหาก็บอกอาจารย์มันเหมือนก็ขี่ช้างจับรักกะแตนนะอาจารย์อไปอบรมเด็กขนาดเล็กๆอย่างนั้นเนะี่เราไปไกลเดินทางวันหนึ่งต่้งไปกลับเบีดเสร็จประมาณเก้าชั่วโมงนะฮะแต่เราก็แมตาเปล่าๆมันสงสารเด็ก ก็นึกถึงลูกถึงหลานเนาะเออก็บอกเขานะบอกว่าเราก็รุ่นหลวงปู่ของหนูแล้วแต่ว่าที่มาเนี่ยก็คิดว่าพูดอะไรกันเธอจำไปได้สักประโยคสองประโยคหนึ่งแล้วก็เป็นเกินจิตสกิจใจเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขใจเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็พยายามจะปลูกฝังให้เธอความเห็นชอบเอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปลึกซึ้งอะไรเท่าไรหรอก พอลองสังเกตนะเวลานี้คนที่มาตั้งค่ายอยู่หน้าทำเนียบเนี่ยคือแกคิดว่ารัฐบาลเป็นขี้ค่าของแกเป็นทาสของแกที่ต้องฟังคําสั่งของแกแกเรียร้องสิทธิแต่ก็ไม่ได้เคยสอบถามอำนาที่วันไหนลองดูสิว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร่ตั้งแต่กเกิดมานี่ตอนก็จัด ก, การศึกษารนี่คุณเรียนหรือเปล่าตอนคุณเป็นเด็กนี่คุณเรียนหรือเปล่าแล้วคุณก็ทํางานอะไรที่เพื่อชาติบ้างบายคุณประกอบอาชีพเนี่ย คุณเสียภาษีแกรัฐหรือเปล่าไหนใบเสียภาษีมาแสดงคือไม่ได้จะแสดงอะไรออกมามงน้ที่แสดงว่าเราทำหน้าที่แล้วเราก็มีสิทธิจะเรียกสิทธิเรียกร้องสิทธิทั้งหลายเนี่ยเพราะก็เลยปลูกฝังเด็กถ้าตัวเลขมากนยฮะจะมีคำถามสี่ประโยค 1. หนึ่งพ่อแม่เนี่ยก็แต่งงานกันแล้วถ้าเขาไม่มีลูกนี่ยก็อยู่กันได้ไหม สองเราถ้าไม่มีพ่อแม่เราเกิดมาได้ไหมสามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราสามารถเกิดเป็นคนได้ไหมทีนี้ถ้าเด็กเล็กๆเกนี่ยเพูดที่เล่นจริงบอกว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวเนี่ยเรามีสิทธิ์เป็นคนได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อย้ำเตือนให้เด็กแกเข้าใจว่าเราคือผู้อาศัยเราไม่ใช่เจ้าบุญนายคุณของแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นเจ้าบุญนายคุณของเรา แผ่นดินนี่เราไม่เกิดมาเขาอยู่ได้นะแต่พอเราเกิดมาสร้างปัญหาแก่เขาเพราะฉะนั้นมันต้องใช้นี่แก่แผ่นดินไม่ใช่ไปเรียกร้องกับแผ่นดินชีวิตในวดวงคติจึงเป็นชีวิตที่สัมมาทิฏฐิอย่างวนก่อนไปประลบถธก็สร้างบ้านให้พ่อที่ปากผนังนะฮะคือสร้างปีประทับ ในหลวงทรงงานก็เรียกที่หัวงงานที่เขาสร้างอะไรนะี่ลุ่มน้ําพัฒนาลุมน้ําปากพนังมาก็พูดในที่ประชุมก็นินมนต์ไปปากฐกถาคือบอกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยไม่มีราษฎรที่เรียกว่าอนเนกชนนิกรสมสุทรสมมุติเนี่ยอัญเชิญ รัมมากษัตริย์ขึ้นบุคคลสําคัญคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นรัมมากษัตริย์นมีแต่ว่ายังไม่มีอนเนกชนนิกรสโมสรสมุทร ม, ม, มาช่วยกันสร้างตากกําหนักและสร้างวังถวายในหลวงในเราไม่เคยมีพลคนไม่ควรคิดว่าสร้างที่ไหนเพราะมันต้องมีที่สร้างแหละแต่ต้องคิดว่าใครสร้างแล้วก็สร้างเพื่อใครสร้างแล้วได้ประโยชน์อะไร ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของแต่ว่าต้องมีที่แห่งหนึ่งแหละสร้างอะ่ะไม่สร้างที่ปากพนังก็สร้างที่ใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละมันต้องมีที่แต่ทำไมต้องไปยึดติด ท, ที่ที่ละ่ะทาไมเราไม่ได้คิดว่าใครสร้างสร้างอะไรสร้างเพื่อใครสร้างไปแล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วใครจะช่วยสร้างเราทุกคนเนี่ย ในหลวงของเราแผ่นดินนี้ของเราวังนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินอะไรก็ของเราตอนนั้นนะประเทศในของเราปับพนังก็ประเทศของเรานาลาธิวาสก็ประเทศของเราเชียงรายก็ประเทศของเราแม่ห้องสอนก็ประเทศของเราเชียงใหม่ก็เทศของเราที่ไหนก็ของเราแต่มันต้องมีแห่งหนึ่งในความคิดเหล่านี้มันต้องเป็นความเห็นชอบ มันไม่ใช่เกิดแบ่งแยกเกิดเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็หลงสถานะตัวเองทําตัวเป็นเจ้าเป็นเจ้าบุญไหนคุณของพ่อแม่เบื้อเนี่ยลูกที่มีปัญหาเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะฮะในลูกบางเกิดกล้าวเดี๋ยวมันจะเกิดทีด่นเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกับประเทศจีนก็บางมีปัญหาจเีนเนี่ยประเทศจีนนั้นเขาคุมกําเนิดจนคุมจนสาหัสสาการ คนเดียวครอบครัวเดียวก็ลูกคนเดียวแล้วคนจีนอินเดียเนี่ยเขาต้องการลูกผู้ชายด้วยนะเพรา ะ, ะ น, นลูกผู้ชายเลยเป็นห้องเต้ไปเลยเขากำลังเอาข้าวไข่แล้วเลวลานี้รัฐบาลก็เป็นห่วงแล้วเพราะว่าเด็กมันเป็นห้องเต้หมดใหญ่โตมากเลยแล้วกระทืบบาดอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจอะไรก็อาลวาดทุกคนก็เป็นนายหมดอะ่ะไม่มีพร่ย อันตรายนะอันตรายของบ้านเมืองเวลานี้วันก่อนเนี่ยพระพระเถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าพระเนนเดี๋ยวนี้ก็ดื้่นะไม่เอาใจใส่ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องงานแต่ท่านพูดถึงวัดท่านหรือวัดอะไรก็อาหมายเองก็ไม่ค่อยเจอเราก็ไม่ค่อยเจอคนดื้อแต่ไหนมันก็คนก็โชคดีอย่างหนึ่งเนะียะคือเวลาพูดอะไรโดนมากพระเนรเขาก็เชื่อถ้าถึงกัเราพูดแล้วเขาก็ได้เรื่องไงนะ ก็ก็ไปกันได้ก็ทําให้เราไม่ค่อยเจอไอ้ดื้อแรงๆ แ, แ, แ, แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดด้วยไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยแจบเตือนใครทําให้หนักหนาสาหาัสอะไรจะไเปเตือนกับเด็กก็เหมือนกันคือมนุษย์เนี่ยมันควรจะมีความเห็นชอบด้วยตัวเองทีนี้ถ้าเราเห็นชอบได้เราจะเห็นว่าทําทําไมอะ บาปเนี่ยมันตัวเองร้อนใจเนะี่ยทําไมไม่ทําบุญอนะ่ะบุญมม่มีความสุขเป็นผลนะบาปบาปมีความทุกข์เป็นผลนะไอ้คุณกับโทษเนี่ยชัดเจนว่าโทษมันก็เป็นอันตรายต่อเราคุณก็เป็นผลดีต่อเราประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไอ้ไม่ใช่ประโยชน์จะไปทาทําไมประโยชน์นั้นมันก็ได้แก่เรานารกในไปทําไม แม้เราจะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยแต่ว่าการรู้บาปบุญคุณโทษแล้วก็งดเว้นส่วนที่เป็นบาปส่วนที่เป็นโทษมาทำส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นคุณเนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่เราสัมผัสได้เพราะในการปรับความเห็นให้ชอบตามทํานองครองธรรมเป็นหลักการสำคัญในความเป็นพุทธศาสนิกระชุแต่ถ้าอย่างนั้นคือสติระลึกได้ระลึกันเลิกได้ อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เราบัดเราบ่เรามัดระวังใจของตัวเองไม่แกว่งไปในกระแสของกุศลประคับประคองจิตตัวเองให้อยู่ในกระแสกุศลก็จะเอื้อประโยชน์ต่อการครองตนครองคนครองงานครองเรือนวันหลักการตรงนี้ไม่ใช่หลักการที่ทำเฉพาะพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าประสบปัญหามายังไงทรงแก้ยังไงทรงบอกปัญหา แล้วก็วิธีแก้ปัญหาให้แก่เราเช่นเดียวกันพระองค์ได้เดินบนเส้นทางสายนั้นมาแล้วสมบัติผลดีงามให้เราได้พบเห็นแล้วถ้าเราได้เดินตามถือตามปฏิบัติตามถึงแม้จะห่างอยู่บ้างนะแต่ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยส่วนเดียวทั้งฟังทั้งอะไรแต่งรงพระพุทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไผ่บุญในธรรม จะมีได้ท่านผู้ฟังแง่ลยโดยทั่วกันสวัสดี